بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันต <t og to h> <t og to h> ิสุขความเมตตาจากอัลล سبحانه แะ تعالى ได้ประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาต่อเราและรทุกท่านครับ เรากำลังติดตามเรื่องราวของตัวเองที่อลัลลอฮ์ได้สอนเราให้รับรู้ในอัลกุรอานจากเรื่องราวต่างๆ ท, งที่เป็นทั้งอดีตและเป็นปัจจุบันและอนาคตงั้นเวลาเราอยู่กับอัลกุรอานอยู่กับคาสอนของอลัลลอฮ์และเราซูลเราจะไม่ถูกหลอกแล้วก็ไม่หลงทางพอเพราะอัลลอฮ์เป็นผู้รู้ดียิ่งได้กำหนดทิศทางและก็สอนเราว่า เราจะต้องดูแลชีวิตของเราอย่างไรหลังจากที่อัลลอฮ์ได้บอกในอัลกุรอานว่าว่ามาขอลักตุนยินในวันอินไซลลาลิยะบุดูนเราไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออินใดเว้นแต่ให้ยินและมนุษย์ได้อิบะดาต่ออัลลอฮ์ตรงนี้เราก็ได้รับรู้ว่าอัลลอฮ์สร้างยินมาก่อนแล้วสร้างมนุษย์มาที่หลังเรามาหลังจากยินแต่หลายคนก็นหน้าตาคล้ายๆยิน สิ่งเราก็ไม่รู้ยินหน้าตาแบบไหนนะวันนี้ซุรยูซุปในหัวข้อเรื่องกลับมาพบพี่น้องอีกครั้งหลังจากที่หมางเหมือนกันมานานแล้วก็มีโอกาสได้พบกันนะจะอ่านกุรานซะก่อนเดี๋ยวก็อธิบายความหมายพอสังเกตเอูซุบินเลยไม่เนชเชตานิราชม “ว่ากล่าวยาบน د ยาลาตด ب ลูมบาบนว د หดวดขลูมอ ا ب ب أ َบมัตฟรริَววมะอาหุงน ا ل ل คุมนัลลาฮิมน ء ย إن ِ الحُكم ْْ إلَّا ِ لِلَّهِ عليهِ تو ََْ توكلتُ َََّْ وعليهِ َََْ ف َ ل ْ ي َ ت َ و َ ك َّ ل ِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ ح َ ي ْ ث ُ أَمَرَهُمْ أَبُو ه ُ مَكَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับพวลมมีอะไรเลยยกเว้นเรื่องในตัวเองของเขาเองเท่านั้ต่เขาินน وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف و أ ل و ل إ ل آ إ ه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهذهم ب ت ب َ ي ن ه م ولم فلما جهذهم بجهادهم جعل الصقيا ي َ ف ِ ي ر ا لأخي ثم أذن مؤذن أية هالعيب إنكم لسارقون ว่ากอล่าว่ากอลาและเขากล่าวว่ากอลาก็คือท่านนบียา ق و บท่านนบียา ق و บนี้เป็นเป็นพ่อของ นบียูซุฟเป็นตระกูลนบีที่เกิดติดตามกันมาเป็นพ่อของนบียูซุฟพี่น้องนบียูซุฟได้รับการช่วยเหลือตามส่วนต่อคือนบีพี่น้องนบียูซุฟประสบกับความแห้งแล้งเดี๋ยวประวัติจะมีต่อไปนะประวัติจะมีต่อไปตอนนี้นบียะนีบเป็นพ่อของนบียูซุฟ ได้เตือนลูกว่ายาบานียโอ้ลูกเอ๋ยเราเคยฟังอันกุอานบางทีได้ยินคำว่ายาบูไนยากรรมมาอนายาบูไนยะแโ อ, โอ้ลูกรักลูกตัวน้นอยๆลูกที่น่ารักนี่ยาบานียบอกลูกของท่านทั้งกี่คนสิบเอ็ดคนอ่า บอกกับลูกสิเอ็ดคนว่าตอนลูกจะไปขอความช่วยเหลือจากท่านนาบียูซุฟอัลฮิสลามที่เป็นผู้คุ้มครองพลังสมบัติในตอนนั้นได้ตรเตรียมทรัพสมบัตินะอาหารต่างๆเตรียมไว้เพราะว่าวิกฤตทางเศรษฐกิจมันเกิดขึ้นกับโลกนะมันน่าจะเป็น IMF สมัยก่อนที่เป็นบทสรุปว่า เวลาล่มจมล่มสลายเนี่ยเจ็ดปีเวลาจะฟื้นก็ใช้เวลาเจ็ดปีนี่คือวิกฤต ท, ที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นบทเรียนสองชีวิตว่าวันที่ล้มเน่เจ็ดปีนะแต่วันที่จะฟื้นคือหลังจากเจ็ดปีไปแล้วเวลาวิกฤตไอ a อเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยดอกเตอร์มหาเดชบอกว่าต้องทนอีกเจ็ดปีนี่คือคือหลักการอันอิสลาม แต่นีพี่น้องของนบิยูซุปอะตอนแรกก็รังเกียดรังชังเพราะอะไรเพราะจุดหนึ่งที่ประกายที่จุดประกายความเกลียดชังต่อนาบิยูซุปก็คือว่าเห็นว่าพ่อนั้นรักนาบิยูซุปมากไอ้ น, นี่เป็นประเด็นหนึ่งที่ฉุกคิดว่าเรารักลูกคนไหนมากเนะ่ยอย่าได้แสดงออกเก็บความรู้สึกไว้ข้างในก็ได้แต่ว่าในความรักแหละมันก็ต้องเผยความรู้สึกข้างในให้คนข้างนอกได้รู้ เพราะอะไรดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจลาบียาคุปก็เผยความรักไอพี่น้องก็เก็บรู้แล้วพอรู้ก็อิจฉาอิจฉาไม่อิจฉาธรรมดาอิจฉาย่างรุนแรงคิดจะตัดตอนเลยฆ่าลาบียูซุปแล้วก็วางแผนทําจริงวางแผนทําจริงจะพาลาบียูซุปออกไปข้างนอกอย่างที่เรารู้อยู่แต่พ่อก็เตือนว่าสุนัขป่ามันเยอะนะ สนัขกินจอบมันเยอะอาจจะ ก, กัดกินน บ, บิยูซุปก็ได้เขาก็ยืนยันที่จะปกป้องน้องให้พ้นจากสุนัขแต่ท้ายสุดก็อาย บ, บียูซุปไปโยนในเหวเพราะมีพี่น้องคนหนึ่งค้านว่าอย่าไปฆ่าเลยเอาโยนในเหวก็แล้วกันแต่ว่าน บ, บียูซุปก็รอดมาได้ด้วยสาบับที่มีกองคารวานเดินมาตักน้ําสาวถังน้ําลงในเหวน บ, บียูซุปก็เกาะ สายเชือกนั้นขึ้นมาอยู่บนขอบเหวนี่คืออะไรนี่คือการบ่งบอกว่าวันที่อัลลอฮ์ะจะไม่ให้ตายทํำยังไงก็ไม่ตายอัลลอฮ์ะจะไม่ให้ตายแล้วอนาคตที่นายบีเยซุบจะเป็นไปนั้นไม่มีใครรู้อัลลอฮ์เท่านั้นเป็นผู้รู้ท้ายสุดน้องที่พี่ต้องการฆ่าคนนี้แหละกลับมาช่วยพี่น้องอีกตั้งสิบคนที่ขาดแคลนอาหารนะ ขาดแคนอาหารเ อ, อมันมีภาษาไทยอยู่คำเขาพูดไงนะชั่วจิดเจ็ดทีดีเจ็ดคดีเจ็ดหนอนเชั่วเ อ, อ่ชั่วเจ็ดดีเจ็ดหนอนเออมันน่าจะโอ้าเรารอนานเลยนะชั่ว่เจ็ดทีดีเจ็ดหนอนพอดีตายก่อนนะของเราไม่ไม่ถือตรงนี้พอชั่วพื้อรู้สึกตัวเตอบ้านตนต่อลอ ทำไมรู้สึกว่าชั่วไม่รู้สึกตัวกัปล่อยให้มันตายไปความชั่วเราต้องรู้อะไรดีอะไรชั่วแต่ไม่รู้ทํามันผิดหรือไม่ถูกถูกหรือผิดไม่รู้ก็ปล่อยตัวเองท้ายสุดก็ไม่ได้ตาบ้าตนต่ อ, อรอสัตยาแตอนนี้ก็เตือนลูกเตือนลูกให้พึงระวังว่ากลัวว่าพี่น้องทั้งสิบคนนั้นจะเป็นเป้าสายตาของผู้คนที่อยู่ที่มิสเมืองอียิปต์มูเซ อัลมิสรอเมืองอียิปพี่น้องกี่คนสิบเอ็ดคนนะพี่น้องสิบสองเรบียูซุปอยู่ในวังแล้วก็11บเอ็ดหนึ่งกูเกรงว่าจะเป็นเป้าสายตาจากผู้คนที่พบเห็นเฮ้ยมากันเยอะเหลือเกินอ่าเพราะคนที่มาเน่ะได้รับการช่วยเหลือนะแค่อะไรแค่สัมภาระที่บรรทุกบนลาเท่านั้น แต่พี่น้องของลบียูซุปได้รับสัมภาระช่วยเหลืออจารนบียูซุปด้วยกับสัมภาระที่บนทุกบนหลังอูดคิดดูสิได้ได้มากมายขนาดไหนเพราะละบียูซุปรู้ว่านี่คือพี่นะนะนี่คือพี่ที่ต้องการจะฆ่าน้องแต่ Allah ยังไม่ให้ตายอินน่าดิลล่าไวอินนาอิไลโรจิอูนอิายะอัจจารุหุมเมื่ออัจฉริมาแล้วก็ไม่มีใครประเมิเวลาได้ลบียูซุยังไม่ตาย นะอย่าเข้าประตูเดียวนะวัดุคูลูมินอบวาบินมุตาฟาริกอให้ท่านทั้งหลายเข้าไปในอะไรครับอย่าเข้าทางเดียวให้เข้าจากหลา ย, ลายทางอบวาบินมุตาฟาริกอหลายประตูหลายช่องทางด้วยกันอย่ารวมเป็นจุดเดียวถ้าสงครามเขาเรียกว่าแยกกันตี แยกกันตีก็เข้าหลายๆจุดอย่าไปจุดเดียวเดี๋ยวจะเป็นที่จับตาของผู้คนที่พบเห็นอะไรมากันเยอะแยะเข้าประตูเดียวเนี่ยพว ก, กันหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าก็ให้เป็นปกติเข้าหลายประตูนั้นถ้าไปขอเขารับบริจาคก็เข้าหลายๆประตูหน่อยอย่าไปเข้าแถวพอเข้าแถ ว, ว่าทีตังหมดเอาไม่ได้เข้าหลายประตู น, ะนึกนึ ก, น, กนึกถึงแจกตังวันอีด น, น่ะเข้าหลายแถวหน่อย ถ้าแถวยาวเนี่ยครึ่งแถ ว, วไม่ได้เขาบอกแจากเด็กแต่คนแก่มาด้วยไม่รู้ว่ามันเด็กตรงไหนก็ <c oughs> เลยนึกว่าอ๋อยิ่งแกยิ่งเป็นเด็กก็เลยให้ไป <c oughs> แล้วบางคนก็บอกว่าฉันเป็นไม้เป็นไม้ไม่เกี่ยวไม่ต้องมาร้องทุกข์ตรงนี้เขาให้แจกกับเด็ก <c oughs> นะโอเคอ่า S <S> ว่มามาอุคนีอังกุมินัลฮิเมชัยและฉันไม่อาจให้ความคุ้มครองกับพวกเจ้าจกากอัลลอฮ์คืออะไรคือกอดัดของอัลลอฮ์เนี่ยเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าอัลลอฮ์กอดัตเป็นยังไงกำหนดการชีวิตของเราเป็นยังไงนะนั้นกอดัดของอัลลอฮ์มันมีสองแบบหนึ่งกอดัตที่เปลี่ยนได้กับกอดัตที่เปลี่ยนไม่ได้ าบางครั้งเรียกอายันอายัญหัอันลักเปลี่ยนได้อายัญมุบารอมล็อกเลยเปลี่ยนไม่ได้แต่เรารู้ไหมไม่รู้ทำกลางความไม่รู้เหล่าเนี้ยเราก็ปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮ์รู้ว่าพิษตบบาตนต่ออัลลอฮ์อย่าดึงดันรู้ว่าบาปก็อย่าไปทํารู้ว่าต้องการจะยกตนให้เป็นที่เด่นและเป็นที่ยอมรับจากคนอื่นอย่าอิจฉาต้องแข่งขันกันทําความดีนี่อลัลลอฮ์นบีอัลกกก็บอกว่า ฉันไม่อานให้ความคุ้มครองให้ความคุ้มกันแก่พวกเจ้าจากอัลลอฮ์ได้คือคือบอกไม่ได้ว่าจะปลอดภัยแต่ในความเป็นมนุษย์ในสัญชาตญาณของมนุษย์อบอกได้ว่าควรจะทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่อัลลอฮ์ก็ดัดแบบไหนรู้ไหมไม่รู้เนี่ยอกีด้าไม่เพี้ยนอกีด้าไม่ผิดเพี้ยนแล้วก็ระวังไม่รู้นะเราไม่รู้อย่าเอาเด็กสามเดือน สามขวบอะไรามาขับมอเตอร์ไซค์ให้ผู่ยายนั่งแล้วดูข่าวจะไมเอออ ย, อย่าอย่าอย่าไปอย่าไปทำแบบนั้นมันไม่เหมาะ <c oughs> <c oughs> อินอินฮุกูอิลาลิลลการตัดสินเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮแต่เพียงผู้เดียวงั้นบทสรุปจะเป็นแบบไหนอย่างไรอยู่ที่อะไรนะฟาชาอัลลอฮหกานอะสิ่งที่อ AH ัลลอฮฺกำหนดไว้แล้วก็เป็นแบบนั้น หัวามาลัมยัคุลํามยาชะไม่ได้กําหนดก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่ ร, รู้ไหมเราไม่รู้ทำกลางความไม่รู้ก็ใช้ชีวิตด้วยความระแวดระวังตามอะไรตามสภาพของความเป็นอยู่เราหวังไม่ระวังเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นยังไงเดินสวนกระรถเลยไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าตายเลยเดือดตั้งใจเดินสวนกระรุด แล้วมันตายเราก็ต้องบอกว่าไอ้ น, นี่ไม่ใช่อุบัติเหตุแล้วมันอยากตายานะเรารู้นะกอดดั๊กคอร์ลเราไม่รู้แต่ว่าอันล้อบอกอะไรบียูซุปและพวกพ้องลูกๆให้ระวังทางนี้เราต้องระวังไม่ใช่เปิดเตาแก๊สไว้อุ่นแกงไวอ้าวไปเลยออกไปข้างนอกเลยกอดดัก๊กคอร์ลเรียบร้อยกลับมาหมอกับแมมมีม ฝาก็ไม่มีด้วยก็ต้องระวังตามไรชารีอะเราต้องระวังฮากีกัตเราไม่รู้ข้างในเราไม่รู้อะลออย่างไงอ่านี่นะอัลฮ <ul> ิจ <ul> ัวร์กันตุอัลฮิจัวกัตฉันขอมอบหมายการไว้ใจแด่อัลลอฮ์อัลฮิจัวรกัตุ อัลลอฮ์ไม่พูดว่าแตาว่วะกกันตัวอะไรไม่มพระพูดว่าฉันตว่วะกกั้นต่ออัลลอฮ์แต่ว่าอะลลอฮ์ให้แต่วักกันตัวกำลังเน่นเห็นว่าณนะอัลลอฮ์เท่านั้นที่เรามอบหมายตนต่อพระองค์เราไม่แตว่วะกกั้นกับใครนอกจากอัลลอฮ์อง์เดียวไม่ใช่ว่ามีสตังแล้วเราก็บอกไม่เป็นไรมีสตังอายุยืนไม่ใช่มีสตังก็เป็นปัจจัยของชีวิตว่าไปในการใช้จ่ายแต่จะเป็นแบบไหนอย่างไรมอบหมายตนต่ออัลลอฮ์ การมอบหมายต้นอแล้วภายใต้คำสั่งที่อัลลอฮ์สั่งถึงจะประสบความสำเร็จนะไม่มอบหมายส่งเดชไม่ได้คนผู้ใหญ่ว่าตาวักกันอย่าตาวักกระบวยภาษาผู้ใหญ่พี่อเขาว่าดีนะมึงตวักกระบวยเนี่ยต้องตวักกันต่อแล้วจริงๆตวักกันคือเดินตามระบบที่อัลลอฮ์สั่ง จะจะมีลูกแตว่วะกกันต่อแล้วก็ต้องอะไรมีการแต่งงานมีคู่ครองแต่งกับผู้หญิงเดีย๋ยวไปแต่งกับผู้ชายแต่งกับผู้ชายแตว่วะกกันมันจะมีลูกอะไรล่ะผู้หญิงโดยการก็ยังไม่มีเลยแตว่วะกกันกนั่นก็นั่นคืออะไรนั่นคืออำนาจของอลัลลอ์ที่อลัลลอ์รู้ก่อนหน้านี้แต่สบับชาริอะเราก็ปฏิบัติตามความเป็นมนุษย์หิวก็กินไม่หิวก็ อย่าเพิ่งกิน <c oughs> นะบางทีกินไปแล้วมันไม่อิ่มเราก็ดูให้เรากาวน้ำอัลลอห์ด้วเปล่า <c oughs> ใช่ตอนมันแบ่งกินไปด้วยแล้วก็คุมวิชชีวิตให้อยู่กับวิธีอิสลาม <c oughs> ผมมักจะใช้ประโยคนี้เสมอให้พี่น้องเลยคิดว่าเราต้องคุมตัวเองควบคุมตัวเองและอายว่าทุกส่วนให้อิงกับคำสั่งของอ <c oughs> ัลลอฮ์อัลลอฮ์พูดไงทาอย่างนั้น ถ้าเราไม่อิงต่อคําสั่งของอัลลอฮ์และไม่ติดจิตต่อคําสั่งของอัลลอฮ์มันก็จะเป็นคําสั่งที่มาจากอารมณ์และสภาพแวดล้อมหรือสิ่งที่อยากจะเป็นมันใช่หรอไม่ล่ะไม่ใช่อัลลอฮ์บอกเราอิงต่อคำสั่งของอัลลอฮ์มีหูเคยสามไร่ครั้งใช้หูในทางของอัลลอฮ์ใช้ตาในทางของอัลลอฮ์ใช้ปากในทางของอัลลอฮ์ใช้มือในทางของอัลลอฮ์ใช้เท้าในทางของอัลลอฮ์ใช้อวัยเพศในทางของอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ทั้งหมด ใช้ทองในทางค้อนเหรอกินพอรู้สึกว่าอิ่มหยุดอย่าฝืนพอไปกินบุญแล้วฝืนเผื่อจะเผื่อมือเย็นที่บ้านแน่นนะแน่นคุแอว่าไงนะพอแน่นจริงแล้วไม่รู้จะว่ายังไงอย่ารอาอยาตัวหันกูไม่เรอก็ขอให้ผายลมเถิดมันไม่ใช่แล้วเอไม่ใช่แล้วนะงั้นต่้ว่ากการต่อเหรอว่อะไรฟ้าลี้ตัววักกาลินมุตาวักกิลู นะแต่พระ อ, องค์และขอให้บรรดาผู้มอบ ก, การไว้วางใจแต่อัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นเพราะอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ความเพียงพอที่เดียวกาฟีให้ความเพียงพอแก่เราในเรื่องของฮักฮกีก็และความสำเร็จที่แท้จริงก็อัลลอฮ์เป็นผู้ให้นั่นปฏิบัติตามคําสั่งก่อนจะได้แบบไหนปฏิบัติตามคําสั่งแล้วเราขออ้อนว่าอัลลอฮุมะฮิยินีบิฮัยาติลูลามะ ขอให้มีชีวิตอยู่ท่ามกลางผู้รู้ว่าอเมธินีบีมาติชัวดาและขอให้ตายในกลุ่มของพวก شهيد ฟูช่วยดาคนที่ยึดวิธีทางของร้องและขอชีวิตแบบนี้อยู่ในท่ามกลางผู้รู้ในหมู่ผู้รู้และตายแบบ شهيد ก็ขอไปก็เรามีหน้าที่ขออลัลลอฮ์มีหน้าที่ที่จะจัดการให้กับเราด้วยความไม่ตาพระพ่อองค์นั้นพ่อรักลูกไม่รัก โกรธลูกไม่โกรธที่ว่าเอาน้องไปนะ่ะแล้วไม่เอากลับมาเรามีข้ออ้างโกรธแต่ความเป็นลูกอ่ะจะเป็นแบบไหนก็ตามพ่อแม่ไม่เคยรังเกียจและทอดทิง้งเจ็บปวดยังไงก็ยังเป็นพ่อเป็นแม่ที่ยังรักลูกอยู่แต่ลูกต่างหากไม่เคยสำนึกตรงนี้มันถึงมีลูกอากตันยูเกิดขึ้นในสังคมพ่อแม่นะ่ายอมอดนะเพื่อให้ลูกอิม่มแต่ลูกเคยคิดสิ่งเหล่านี้หรือไม่ คิดสิ่งเหล่านี้หรือไม่วะลัมมะดาร์ลูมิหนไห้สู่อามะรุุมอบูหุมมาการูมาการะยยุกนีอันหุมมินลลอฮิมินมินชัยและเมื่อได้เข้าเมืองตามที่พ่อของเขาได้สั่งไว้พี่พี่น้องน้องของนายบีซุบก็เข้าประตูเมือง ตามประตูต่าง ๆ, างๆที่พ่อได้สั่งไว้ไม่เข้าประตูเดียวอ่านี่นี่คือกลยุทธ์เพื่อไม่ให้เขาจับตามองพอเขาจับตามองผิดสังเกตความอิจฉาจะเกิดขึ้นความผิดสังเกตอิจฉาจะเกิดขึ้นฟิตนาจะเกิดขึ้นก็ต้องระวังก็ต้องระวังมากานยุนีอันห oh ุมินอัลลอฮิมินชัย ไม่มีสิ่งใดที่จะช่วยพวกเขาให้พ้นจากอาลัลลอ์ได้เว้นแต่ความต้องการในจิตใจของยะกุบซึ่งเขาได้ปฏิบัติไปเป็นหายาของยะกุบที่ปฏิบัติไปและแท้จริงว่อินนะฮูละด้วอินมินลิมาอัลลัมนาฮูและแท้จริงน บ, บียะกุบเนี่ยเขาคือน บ, บียะกุบเป็นผู้ที่มีความรู้ ซึ่งเราได้สอนเขาเราคืออัลลอฮ์เราได้สอนเขาคือสอนนบีุย์กุลบโดยไหนโดยวาฮีที่มาจากอัลลอฮ์นั้นนบีทุกคนทุกท่านจะได้รับการสอนโดยวาฮีที่มาจากอัลลอฮ์หะมายันติกรอานินฮะวะอินหัวอิลลาห์ฮะยูหวอับีจะไม่พูดตามอารมณ์เว้นแต่จะมีวาฮีมาจากอัลลอฮ์แล้วนบดก็จะพูดตามนั้นทุกนบีเป็นแบบนี้ไม่ได้ใช้อารมณ์มาเป็นตัวกําหนด มันเป็นจึงจึงเป็นสิ่งที่แปลกที่นบีมุฮัมมัดนั้นอ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นคนในโลกว่านาบีมุัมมัดง่เพราะอ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นแล้วจะเป็นนบีสอนโลกได้อย่างไรแต่เบื้องลึกไปกว่านั้นก็คือว่าอาการใส่ได้ก่อนพวกเยาฮูพวกนซ า, ารก็ใส่ได้ท่านนบีมุฮัมมัดสุลามสุลามว่าไงนะนบีมัมมดได้อ่านตำราของคนอื่นทั้งหมดล้าประปวนมาเป็นคําสอนของตัวเองว่าเป็นอันกูราน นี่คือคนที่เป็นศัตรูอิสลามที่ใส่ร้ายท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลสลัมอลอลรองให้นบีอ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นแต่ทำไมนบีได้มีคำสอนที่ถูกต้องและเป็นที่ยืนหยัดแก่โลกเ <c oughs> พราะไดเพราะนบีพูดตามวะฮีที่อัลลอท์งผ่านยิบรีนมาให้ท่านนาบีได้อ่านได้รู้แล้วสิ่งที่นบีพูดเป็นความจริงที่มาจากอัลลอ์โลกกาลังพิสูจน์ทุกสิ่งในโลกนี้ ทำไมวันนี้น่ะนักวิทยาศาสตร์นักเคมีนักฟิสิกส์กาลังพิสูจน์และมีบทสรุปว่ามันจำเป็นอะไรที่จะต้องสร้างผู้ชายมาก่อนคือสร้างนเ บ, บีอาดัมทำไมไม่สร้างฮาวามาเลยล่ะทำไมต้องสร้างน บ, บีอาดัมแล้วก็สร้างฮาวามาที่หลังค้นพบ ว, ว่าโครโมโซมของผู้ชายที่เป็น Y น่ะมันต้องมีในผู้ชายส่วน X มันมีในผู้หญิง ถ้ามาจากฮาวาอย่างเดียวก็มีตัวาวายวายวายไม่มีโครโมโซม x ของผู้ชายมามีส่วนร่วมในการกําหนดเพศเกิดเพศเกิ ด, กดลูกเต่าขึ้นมาวันนี้พิสูจน์แล้วแล้วก็ทึ่งแล้วก่อนหน้านั้นว่าเป็นยังไงนะว่าเราเป็นมนุษย์ที่สืบอะไรมาจากลิงเทียร์ล้อสาวากูนูกิโรดตันคอซีนไอลิงตัวนั้นที่สืกสาวขึ้นมาอยู่ในสามวันก็ตายแล้วมันกําลังจูงว่าอะไรนะ มนุษย์วิวัฒนาการมาจากลิงถึงกับมีกองเรือของอเมริกาเนะ่ะจอดในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและส่งกระจายความรู้เหล่านี้เข้าฝั่งประเทศมุสลิมเพื่อให้มุสลิมเชื่อว่ามนุษย์วิวัฒนาการมาจากลิงใช่ไหมพอเชื่อว่ามนุษย์วิวัฒนาการมาจากลิงเพิบมันก็ทักกับปฏิเสธว่าอลัลลอฮ์เป็นผู้สร้างมนุษย์แต่ว่าศรัทธาของมุสลิมที่มีต่ออัลลอฮ์แนบแน่นแม้วันนั้นจะหาคําตอบอะไรไม่ได้ แต่ด้วยศรัทธาออามันตูบิลแล้วศรัทธาอเลาบอกศรัทธาอเลาบอกเชื่อเพราะความลึกของสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งท้าทายโลกให้พิสูจน์แล้วก็ตัดสินนบีพูดว่าเด็กอยู่ในคักนกี่เดือนกี่เดือนออกมาเป็นแบบไหนอย่างไรคนทึ่งแล้วเบีมัดพูดได้ยังไง ใช่ไหมบอกได้ยังไงว่าอยู่ในท้องกี่เดือนจุดปฏิสุนที่เป็นน้าไหลสเปิร์มเข้าไปกี่ล้านตัวแล้วมันมีกี่ตัวที่มีความสามารถจะเจาะเจาะอะไรมันลูกนะเจาะผนังมันลูกอะไรเนี่ยสู่ไข่ที่จะอะไรมีลูกมีตัวได้ถ้าไ ม, ม่มูมมัดพูดถูกแล้วท้าสุกท้าทายต่อโลกโลกส่วนหนึ่งก็ต้องการจะบอกว่า ม, มูมัดมันก็โหกแบบไหนวะ ท้ายสุดพอไปสู่ความจริงที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องที่ลึกล้ําที่มนุษย์ไม่สามารถจะรู้แล้วมุฮัมมัดสันสลามรู้ได้อย่างไรนี่คือคําตอบที่โลกมันทึ่งเราดีใจไหมที่มีอิสลามวันนี้เราต้องดีใจที่มีอิสลามและทุกคําสั่งทุกระบบที่ปรากฏในอัลกุรอานปฏิบัติตามอย่าหลีกเลี่ยงสัมมีอานาวะตอตนาได้ยินแล้วแลออ้วต่ออาจปฏิบัติตามจะมากจะน้อยสุดกําลังความสามารถ เขาสั่งไอ้สรารโก้เราสารโก้มีน้อยสรารโก้มีเยอะสรารโก้อย่าตัดคําสั่งนี้ออกไปแล้วไม่เคยสรารโก้ใครเลยสิบบาทยี่สิ บ, บาทห้สิ บ, บาทร้อยบาทแล้วแต่ให้ทําหน้าที่ตรงนี้คุณอา่านบอกว่าแม้คนที่เป็นหมันสรารโก้ก็สามารถแก้ปัญหาเรื่องการเป็นหมันได้ในคุณอา่านบอกถ้าคนไม่มีลูกสรารโก้มันหมดจากความเป็นหมันได้อ่ะนี่มันก็ออกนอกเรื่องไปหน่อยถ้าเห็นว่า กูเรีนเป็นม้ออิจฉาม้ออิจฉาแปลอะไรมาจากอาญาซาอาญะซาว่ยยาทํยยาททให้อ่อนแอทําให้ผู้คนนั้นอ่อนแอไม่สามารถที่จะลุกขึ้นต้านคําสั่งของอัลลอฮ์ได้นี่คือม้ออิจฉามีกับนบีเท่านั้นมีกับรอซูลเท่านั้นมนุษย์ไม่มีม้ออิจฉางั้นเราเชื่ออัลลอฮ์ไม่ต้องไปหาหมอดูไม่ต้องไปย้อนให้เขาหลอกไม่ต้องแล้วก็ใส่ให้สายสานอนายากรุสรรี อ่านสามกุ้นกับปกป้องได้แล้วทำไมต้องไปหาหมอดูทำไมต้องไปเจิมทำไมต้องให้หมอทำอะไรต่อมีอะไรมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชงั้นสิ่งเหล่านี <c oughs> มนนา้มันอันตรายมันอันตรายมันก็ลุกลามข้าไปยังผู้คนที่ไม่ได้สาธาต่อรอแต่อยู่ในสถานะที่ชาวบ้านพึ่งพา หมอดูก็หมอเดาไปอะไรไปทำนู่นทำนี่ท้ายสุดเป็นไงสังคมผิดเพี้ยน่อิสลามให้คำตอบที่ถูกต้องเดินตามอิสลามที่ลอบอก <c oughs> อแล้วเมื่อเมื่อได้เข้าเมืองไปแล้วนะ่ะก็อะไรครับนา บ, บียูซุปก็ได้จัด จัดจัดะจัดพี่น้องให้มีที่พักผ่อนหาที่พักผ่อนวแล้วจัดห้องละสองคนวละมาละคลูอลายูซุฟอาวาอิลฮิอคอหูกอลอินนีอนาอคูกะฟาตับตอสบมากานูยาอมรูนก็ในบทสรุปแรกคือก็เป็นไปตามที่ในีวิซุฟวางเกมแต่ตอนหลังก็ได้รับความปลอดภัย แต่นี้เมื่อพวกเขาได้เข้าไปหายูซุบแล้วเนี่ยตอนนั้นพี่น้องรู้ไหมว่าเป็นนบียูซุบไม่รู้ไม่รู้แต่ลูกนบียาคูบทั้งหมดรอหมดเลยนะนะลูกของนบียะกูบทั้งหมดรอสิบกี่คนสิบสองคนสิบสองคนรอหมดเลยนบียูซุปก็รอนะความรอเนี่ยมันทําให้คนแบบ ตั้งสติไม่ได้อเออคืออย่างสุไลคอร์ก็น่าเห็นใจนะวันนี้ถ้ามียูซุปมานั่งตรงนี้สักคนสุไลคอร์ก็น่าจะเห็นใจน่าเห็นใจสุไลคอความรอเนี่ยความรอความสวยเนี่มันเกาะกินหัวใจแม้จะใช้ระยะเวลาสั้นๆเนี่ยมันปิ๊งข้นมาเนี่ยใจจะขาดใจจะขาดเราโชคดีเป็นคนไม่รอ ใครเห็นใจไม่ขาดเออเออเอะไรนี่นี่นะความรอความสวยเป็นอันตรายแต่สําหรับคนมุมนสลิมพุทธาต่อรอยับยั้งจิตใจได้เพราะอะไรนะเรากลัวอัลลอฮ์เรามีความสันนึกว่าแม้เราไม่เห็นอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์เห็นเราเราเห็นอัลลอฮ์ตรงไหนเห็นจากสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาเป็นสิ่งบอกเขตว่านี่คือผู้มีอํานาจอันยิ่งใหญ่ที่ทํามา <c oughs> ไม่ใช่มนุษย์ ใครสร้างดวงดาวเรามาคุยสิว่าเปาะมันสร้างดวงดาวเหรอกหกทั้งตระกูลไม่มีใครเวลาที่เขาล้ก็ลักุมมาฟิลอัดติจะมีอาอัลลอ์สร้างทุกสิ่งมาเพื่อประโยชน์สำหรับมนุษย์ทั้งหมดเราก็รับประโยชน์ไปสิแล้วบอกฮะลานฮารอมด้วยอะไรฮะลานฮารอมบอกด้วยนะเราใช้ชีวิตตามระบบที่อลัลลอฮ์สั่งเราจะไม่ถูกหลอก งั้นเราต้องอ่านคุระอ่านเสมอแม้ความลึกบางอย่างที่เป็นฮุกรมของฟิกไม่รู้ก็ค่อยๆถามอย่างฟิตดยาะเนี่ยคนที่บวชไม่ได้ก็เขาตีราคากันแล้วว่าบวชไม่ได้เดือนเนี่ยตีราคาเป็นเงินกประมาณพันสองรอยบาทหรือกุหลิยมินมุดดุนแต่และ ว, วันหนึ่งมุดแต่ละวันฟิตดยานเนี่ยหรือกุหลิยมินมุดดุลแต่และ ว, วันเสียหนึ่งมุด ขุนมาอธิบายบางคนก็บหกขีดบางคนก็บแปดขีดบางคนก็โลหนึ่งอนนเอาให้มันเยอะเข้าไว้เอาเดือนละพันสองไม่ได้บวชถ้าเราไม่มีความสามารถเอเล็กก็ผ่อนผันไไม่ได้จับมาเข็นคอต้องบวชให้ได้อา่างไม่ได้เพราะสภาพ ร, ร่างกายหูกง ค, คอล่องมาเพื่อให้ความสะดวกหลายอยู่กันเลยพูดเล่าน้ำซันอิราภุษาาก็ให้กับคนที่ยากจนให้คนที่ยากจนทีวีเขาก็รองรับตรงนี้ไง รับไปก็ก็โตกกัอ่านะและเมื่อพวกเขาได้เข้าไปหาในบียยูซุปในบียูซุปก็รับน้องชายของเขาไปอยู่กับเขาจัดเป็นคู่คู่ก่อนห้าห้องก็สิบคนอีกคนนึงมันเกิน บุญยามินเป็นคนที่สิบเอ็ดไม่มีจะอยู่กับใครก็ไปไว้กับนา บ, บียูซุปเข้าล็อกเลยไปอยู่กับนา บ, บียูซุปเข้าไปหานา บ, บียูซุปดาคาลูอะลายูซุฟอาวาอไลฮีอันนี้คือนี่คือระบบอิสลามข้อหนึ่งที่เมื่อแขกไปหาแล้วต้องหาที่พักให้ต้องต้องต้องรับแขก นะหาที่พักให้แต่แขกที่จะมาอยู่บ้านเราหรือมาพักบ้านเรานะ่ะมีระยะเวลาแค่สามวันเท่านั้นเราต้องรู้ระบบด้วยไปพักบ้านเขาเจ็ดวันเจ้าของก็อึดอัดเราต้องรู้ระเบียบอิสลามมีสิทธิ์อยู่ได้แค่สามวันนี่คือสิทธิ์ที่เอาร้ให้บางคนไปเจ็ดวันเลยสมัยก่อนเจอเพื่อนอยู่คนหนึ่งมันอยู่บ้านเขาต้องหกเดือน เขาจะไล่ก็ไม่กล้าเพื่อนของลูกไล่ก็ไม่กล้าหกเดือนมันซื้อสบู่ก้อนเดียวหกเดือนมันกินข้าวบ้านเข้าอยู่บ้านเข้าซื้อสบู่แค่ก้อนเดียวสบูน่นกแก้วนี่ไม่เข้าใจคำสั่งคอนลองอ่นะอยู่ได้แค่สามวันนะอาวัยไรอะข้อ เขารับน้องชายของเขาแต่ว่ารับน้องชายของเขาไปเนี่ยแต่ให้น้องได้ปกปิดเป็นความลับให้น้องปกปิดเป็นความลับรู้กันแล้วแหละว่าใครเป็นใครแต่ให้ปกปิดเป็นความลับบอกบุญยมินให้รู้ว่านี่คือพี่แต่ว่าอย่าไปบอกใครไอพี่น้องหลายคนที่มาก็กยังไม่รู้กอลเอนนีอาณาอาคูกะ เขากล่าวว่าแท้จริงคือเขาคือน บ, บิลยูซุปกล่าวว่ากล่าวว่าวใครกล่าวกับบุญยามินซึ่งเป็นน้องชายบอกว่าฉันเป็นพี่ชายของเจ้าบอกให้รู้ว่าฉันเป็นพี่นะนี่คือยูซุปอะไรวิสรามที่เป็นลูกที่พ่อรักที่สุดในตอนนั้นรอดพ้นจากการตายเพราะอัลลอฮฺยังไม่ให้ตายแล้วปลอบใจน้องนี่สําคัญ ในการทำลายร่างหรือในการอิจฉาริ่สยาเนี่ยเวลาก็มีการทำลายร่างเกิดขึ้นเนี่ยความอาฆาตพยาบาททละความแค้นมันจะมีในใจของคนแก่งเราหรือซ้อเล่มเราหรือฟิตรนาเราหรือความแค้นมันจะฝังอยู่ในส่วนลึกของหัวใจแล้วมันก็ออกตามสไตล์ชชยตอนแค้นต้องชำระแค้นนี้ต้องชาระภาษาจีนเ่ะเห็นไหมภาษาหนังจีนแค้นนี้ต้องชำระ อาจจะยึดถือ่อา จ, จะยึดถือจีนประชาชนก็นเยอะทรัพยากรก็เยอะแต่ไม่ใช่ที่สุดต้องยึดถื อ, อิสลามที่นาย บ, บีบอกว่ า, วาที่สุดของความแค้นคือการให้อภัยเราคุมตรงนี้ได้ไหมเราคุมตรงนี้ได้ไหมที่สุดของความแค้นคือให้อภัยตัดใจให้อภัยให้อภัยเพื่อลิลแลเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานวะตะลา แต่ถ้าไม่ให้อภัยวันกีย่ยามะเวลาตัดสินเราต้องรอไอ้คนที่มาซรอเรี่มเรากว่าจะได้เข้าสวรรค์ได้ก็รอมันตั้งนานที่สุดของความแค้นคือการให้อภัยไม่ได้ไม่ได้สนองความแค้นด้วยสิ่งที่เกินกว่าที่เขาทําเราเขาต่อยเราเราก็ทืบมันเลยเขามาคนเราล้อมเป็นหมู่บ้านเลย นี่เลบิยูซุปก็บอกกับบุญยมินว่าอย่าเสียใจลาตับตาอิสท่านอย่าเสียใจพอคนเราพอไม่เสียใจไม่โกรธไม่มีอารมณ์ความรู้สึกก็คือให้อภัยให้อภัยเพราะอะไรวันนู้นพี่น้องจะเข้มแข็งขนาดไหนจะจะจะฆ่าเลาบิยูซุปแต่วันนี้ต้องอไรมาหาเพื่อขอความช่วยเหลือ เนื่องจากความหิวโหยมันเกิดขึ้นและรีบียูซุปก็รู้เพรอเล่าให้ลีบิยูซุปรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ผมเล่าให้ฟังในตอนก่อนว่าฝันว่าอะไรนะาีะบียูซุปทำนายอ่าเนี่ยว่าอะไรนะต่อไปเนี่ยมันจะอะไรนะสมบูรณ์เจ็ดปีแล้วก็แห้งแรงเจ็ดปียูซุสั่งให้เตรียม เสบียงอาหารสำรองไว้ต้องเป็นแบบนั้นและ ว, วิธีการเตรียมอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นเรื่องข้าวเนี่ยเอาไว้กับรวงยายานวดข้าวออกมาให้มันติดอยู่กับรวงแล้วข้าวมันจะเสื่อมช้ามันจะมีมีโอกาสเสียหายเลยเหมือนกล้วยอะ่ะเหมือนต้นกล้วยนะถ้าเราปล่อยหัวปีไว้ายาวนะลูกมันจะผอม ก, ก่อนไม่รู้จักวิธีถนอมอาหารแบบปัจจุบันถ้าวันนี้ก็แช่ตู้เย็นอะไรก็แช่ตู้เย็นแต่แช่ตู้เย็นระวังหน่อยนะมันน่าจะใส่ถุงแล้วก็แช่เพราะในตู้เย็นอนะอะไรตัว อ, อะไรเยอะแยะเวลาไอ้ความเย็นมันจะมันไหลเวียนในตู้เนี่ยมันจะเอาบู ด, ดูเข้ามาด้วยกระปิเข้ามาด้วยของจะบูดแล้วเข้ามาด้วยให้ใส่ถุงรัดหนังแล้วก็แช่ตู้เย็นแล้วเราจะกินแล้วก็มาอุ่น ไม่งั้นกิ่นหมดเลยเอาสมุดแช่และช่องไว้โอ้โหน้ำยาเข้ามาในละช่องกิ่นน้ำยาเข้ามาในเออใช่ไหมใช่เนี่ยวิธีวิธีการถนอมอาหารในยุคใหม่เป็นแบบนี้แต่ในยุค ก, ก่อนที่เป็นอะไรเป็นดึกดำบันที่เป็นต้นกำเนิดของการถนอมอาหารนะพี่คสอนแล้วนะสอนแล้ว ก็บอกอย่าเสียใจที่พี่น้องได้กระทาบอกน้องเพราะนั้นพอบอกอย่าเสียใจความแค้นก็ไม่เกิดขึ้นแค้นต้องชําระก็ไม่เกิดขึ้นในหัวใจของบุญยมินและไม่เกิดขึ้นในหัวใจของนบียูซุฟเพราะที่สุดของความแค้นคือคือได้ให้อภัยอย่าแค้นนานแค้นนานน่าจะย่นเจอน้ำเดี๋ยวชจวยนะเดี๋ยวช่วะโห ดีนาะลอย ห, หายยืดนะเท่ามึดแรกแล็ลอกอย่างนี้แะ่ะตายยิ้มเยอะเยอะจาไม่ย่นวันวันหะน้าบึงเหมือนทะเลาะกับไฟแก่เร็วยิ้มยิ้มแต่ยิ้มให้เป็นที่ไม่เจอใครเลยิ้มทลอเดี๋ยวก็หาบ้าเจอเจอเจอหนะ้ายิ้มสลามอะไรากุ้เจอผู้ชายคนเดียวอะเฉย ถ้าเจอเป็นกลุ่มเาื Bref, ่อยน่ะงั้นเราก็ต้องอยู Defense ่เป็นจะมาอะามันเข้าล็อกเงินเลยพออยู่เป็นจะมาอาอยู่เป็นกลุ่มเพิ่มีอะไรก็ตักเตือนกันมีอะไรก็ช่วยเหลือกันมีอะไรก็จะบอกกันอะไรคุ้มปิมจะมาอาอะไรกุ้มปิมนาอินจำแปว่าจําเป็นต้องเกาะกลุ่มกันกี่คนก็เกาะกลุ่มกันและในกลุ่มเนี่ยนะเวลาเราทําความผิดอะไรเขาก็จะเตือนเราก็จะรอดพ้นจากความผิดเราจะพลาดอะไรเขาก็เตือน เตือนเรื่องศาสนานี่คือระบบเราให้เกาะกลุ่มเราต้องเป็นจมาอย่าเอาความแตกต่างเรื่องฐานะเป็นตัวกำหนดเกษยษียรติยศไม่ใช่เพราะเกียรติยศของคนนั้นได้ถูกกล่าไว้ในะอันกุรอานแล้วว่าอินนะอักรมาคุมอินดลลัยอักอกคุมคนที่รักษาคำสั่งอัลลอฮ์ตะว่าต่ออัลลอ์เป็นคนที่มีเกียรติสุดอัตโกคืออะไร คนเคยจำภาษากียิอยู่ประโยชน์เาหรือบิคเคฟนฟ n ล of your duty รักษาหน้าที่ของคุณคือตะกว่ารามีหน้าที่อะไรตามที่อลัลลอฮ์สั่งทำตามนั้นนั่นคือตัก่านั่นคือเกียรตินะอัลลอฮ์ทุกคนมีหน้าที่อลัลลอฮ์ให้เกียรติเนี่ยให้งานทำให้มีหน้าที่ให้มีอิบดนะดาเราทำตามหน้าที่เราคนอื่นเ็าทำผิดอย่าไปว่าเขาหน้าที่เราคือเตือนคนอื่นเ็าผิดพลาดหน้าที่เราคือเตือนด้วยไร มีการเลมาตินต่อยยาบด้วยถ้อยคำที่สุภาพถ้อยคำที่สุภาพเนี่ยมันจะทำให้เขาเปลี่ยนแปลงถ้าถ้อยคำที่เป็นการเย้ยหยันหยาบช้าเขาจะต่อต้านปฏิกิริยาต่อต้านจะเกิดขึ้นถ้าถ้อยคำมันหยามหน้ากันแล้วคนมันจะดันดันอย่างเดียวไม่พอมันนีต่ออย่างบดดันทุรัง ดันทุรังก็จะรุงรังเรื่อยไปแล้วเดี๋ยวก็แล้วเมื่อฮักุนเอาดงอาดมให้อภัยอาธรรมแลละตักเตือนสังคำเราเป็นแบบนี้ฟะละม่ายะฮาละฮุมบีเจฮัดีฮิมจาละสิก็ยกะเมื่อเขาคืออะไรเมื่อนบียูซุปเขาคือนบียุซุปแต่ยุซุฟไม่ได้จัดเองหรอก จัดเตรียมเนี่ยก็มีกองกําลังมีเจ้าหน้าที่ของวังนะเมื่อเขาได้จัดเตรียมสเสบียงอาหารยะฮาเตฮุมบิจิฮาดิหิมเสบียงอาหารของพวกเขาสเสบียงอาหารของพวกเขาในมิสุกะจัดเตรียมไว้แล้วก็ให้เขาให้เขาโดยการบันทึกการบันทุกบนหลังอูดสแสดงว่าเยอะบรรทุกบนหลังลาหน่อยนิดเดียว แต่หลังอื่ดอูดมีความอดทนอลัลลอฮ์ถึงสร้างอูดมาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในททเลซายดื่มน้ําทีกินได้อยู่ได้เจ็ดวันดื่มน้ําทีอยู่ได้เจ็ดวันนี่อูดแล้วก็แบกสัมภา ร, ระมีความอดทนก็เป็นสัตว์เป็นสัตว์อะไรเป็นสัตว์ที่แบกรับภา ร, ระใช้ทํางานอะไรได้อลัลลอฮ์สร้างให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม แพงนะถ้าเป็นอูดแดงอูสีแดงเนี่ยราคาแพงมากถ้าเป็นอูสีแดงราคาแพงมากในสมัยก่อนเขาบอกเท่ากับบริจาคอูดสีแดงราคาแพงมากเมื่อเขาได้จัดเตรียมสเสบียงอาหารขอพวกเขาให้แก่พวกเขาแล้วขอพวกเขาคือขอพวกเาในบิยูซุบให้แก่พวกเขาคือพวกพี่น้องของลาบียูซุบที่มาเนี่ยจัดให้แล้ว แต่ความอะไรครับไม่ได้เอาคืนไม่ได้แค่ต้องชำระนบียูซุปอะไรอะ่ะได้เตือนให้พวกเขาได้รับรู้ว่าที่มาที่ไปเป็นแบบไหนที่ต้องมีมีบุญจะมินมาด้วยมีอะไรแต่อะไรมาด้วยต้องการที่จะเอาน้องชายคนนี้อยู่กับนบียูซุปต่อไปเป็นน้อง นี่ก็มีเจ้าเขาได้ใส่น้าใส่ขันน้ำลงไปในย่ามของน้องชายเขานะใส่ขันน้ำที่เป็นเพชรผมเอาไว้ที่ไหนไม่รู้มีประวัติดีขันน้ำที่เป็นฝังเพชรเป็นทองฝังเพชรลงไปในย่ามของกระบวนกองคารวานของน้องชายเขา อ้าไม่ใช่บุญคาว่าใส่ขันน้ําที่เป็นทองคําฝังเพชรไปในอะไรครับในย่ามของน้องชายคือบุญยมินใส่ไปทล้ไหมเพื่อเป็นข้ออ้างว่าบุญยมินเป็นผู้ลักขันน้ําทองคําฝังเพชรใจได้อายัด ต, ตัวไว้เป็นแผนที่บียูซุปต้องการให้น้องนะ่ะอยู่กันในบียูซุปพอใส่ย่ามน้องชายไว้แล้วอ่ะ ก็มีผู้ประกาศได้ประกาศว่าโอ้คณะเดินทางทั้งหลายเอ๋ยแท้จริงพวกท่านเป็นพวกขโมยพวกท่านเป็นพวกขโมยเป็นพวกขโมยเขาเอายังไงอต้องเคลียเรามาขโมยของเขามาขโมยของเขาแล้วก็ได้ยึดน้องชายเอาไว้แล้วตอนหลังกองคารวาน ก, ก็เดินกลับไปพบกันระบียกูบะลาฮิสลาม แต่นี้มินมีเกจชีวิตที่ผมเขียนไว้มันมีมันมีแผนอะไรยัดไว้แล้วกับปกหายไปแล้วอ๋อนิดหนึ่งมันมีบอกว่านบียะกรบซึ่งเป็นพ่อของนบียูซุฟเนี่ยเป็นลูกของนบีอิสฮากนะพ่อเป็นนบีลูกเป็นนบีลูกเป็นนบีหลานเป็นนบีนบีอิสฮากไปอยู่ที่อิรัก อาชีพเลี้ยงสัตว์อาชีพเลี้ยงสัตว์นบีอิสฮะคซึ่งเป็นพ่อของนบีเป็นพ่อของนบียะกูบที่นบียะกูบเป็นพ่อของนบียูซุบเนี่ยเป็นอะไรละ่ะกีหรอนบีอิสฮะคอ่าเป็นกีของนบียูซุบอยู่ที่ประเทศอิรักมันนึกถึงประวัติศาสตร์อยู่ในอิรักมีพญาสี่คนมีลูกพญาคนแรกหกคนคนที่สองสอง คนที่สาส อ, ส, ส, อ ส, สองคนที่4ีสองรวม12คนพี่น้องนาย บ, บีซุบ12คนไปดีพยาสี่คนน บ, บียากูปอ พ, พยพจากอิรักไปปาเลสไตน์เสียชีวิตอายุร้3ปีใช้ชีวิตกับน บ, บียูซุบที่อียิปต์ยี่ปีมิสรซเมืองอียิปต์มีบทบาทมีความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ของของอันกุรอานที่มีอยู่ ครั้งนึ่งเคยไปอุมรอ้อมีคนจีนไปพร้อมกันด้วยเขาถามว่ามิสรีอยู่ไหน ม, มูเซตเขาเรียกมูเซตบอกนี่แผ่นดินที่คุณยืนอยู่ตรงเนี้มูเซตโอ้ยร้องไห้เลยมันเป็นแผ่นดินที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่ยงยายถึงประวัติของนบีต่างๆแกร้องไห้คนจีนแกไม่รู้ว่าตรงนี้คือตรงไหนมิสรีมิสรีสราบอกนี่บอกเขา้าตรงนี้เป็นมิสรีคดีใจหน้าดูเลย นะนบียะโกรฝังที่เมืองคอลีนปาเลสไตน์ฟิลิสเตีนข้างสุสานนบีอิบรอฮิมและนบีอิชากอันะปาเลสไตน์เนี่ยเคยไปที่เยรูซาเล็มก็พาไปเยี่ยมนะโกโบตแล้วก็พาไปเยี่ยมโกโบตของนบีมูซานะในที่กันดานอยู่อยู่ทะเลทรายเราได้เห็นสิ่งเหล่านี้มันเป็นความจริงที่อัลลอฮ์เล่าและเป็นความจริงที่เป็นที่ประจักษ์แก่โลกว่าเรื่องเหล่านี้มันมีอยู่ เพราะฉะนั้นบทสรุปวันนี้เราได้รับรู้ว่าคนเราอย่าคิดว่าวันที่เราเข้มแข็งอย่าคิดจะทำลายใครเพราะอาจเป็นไปได้วันวันหนึ่งเรามีความอ่อนแอที่จะต้องพึ่งพาคนอื่นเราไม่ได้เข้มแข็งตลอดเราไม่ได้เข้มแข็งตลอดวันหนึ่งเมื่อชีวิตผ่านไปช่วงเวลาผ่านไปความอ่อนแอก็เกิดขึ้น วันนี้เราไม่คิดว่าตามันจะมัวผมไม่เคยคิดแต่มันมัวมองเป็นฝ้าฝ้าไปให้หมอตรวจหมอบอกเป็นต่อกระจกแล้วตัวต่อไปอีกวเป็นต้อหินหรือเปล่าไม่เป็นเป็นต่อกระจกอราห้มดุลล่ะยังรักษาได้นี่นี่มาหนึ่งตัวนั่นเนี่ยยังแย่เลยถามาสองตัวเสร็จเลยผมเนี่ยมาหนึ่งตัวคือได้ มัวหนึ่งตาพอเห็นถ้ามาสองตัวมัวสองตาเสร็จแลยอ่นไม่เห็นเลยเนี่ยนี่ไงวันที่เราสมบูรณ์เราไม่เคยคิดไงแต่วันที่เราเจ็บป่วยเริ่มเจ็บเราคิดโอ้เราทำตัวเรือตานี่มหาสาลนะถ้าไม่เห็นอ่ะรอวักบัรจะขนาดไหนอ่าใช่ไหมวันที่สมบูรณ์วันที่เข้มแข็งอย่าทําลายคนอื่นเหมือนกับพี่โนอในบิยูซุป อ่าโอเคนบยูซพูดกับพี่น้องว่ายังไงพูดกับพี่น้องว่าเราไม่ได้ให้เกียรติแก่พวกท่านหรือคือที่มาวันนี้เราจัดให้อยู่ห้องหับต่างห้องเราสองคนสองคนสองคนเนี่ยก็พูดออกไปว่าเราไม่ได้ให้เกียรติกับพวกท่านหรือถามทำไมตรงนี้พูดทำไมเพื่อให้พี่น้องได้คิดว่า วันที่ทุกยากเวลาเรามามาหาอบดุลเุสนี่ยจัดห้องต้อนรับอย่างดีไม่ได้เหม็นสามคนจนนะไม่ได้ดังเกียรตถามเพื่อให้คิดถามข้อสองว่าเราไม่ได้ตัวให้กับพวกท่านอย่างครบถ้วนดอกหรือเนี่ยถามเพื่ออะไรถามเพื่อให้คิดแม้ตอนนั้นน่ะพี่น้องจะไม่รู้วเป็นอบดุลเุสบ มิซุก็ทำหน้าที่เพราะตัวเองก็รู้ไม่ได้ชิงชังไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้รังเกียจชิงชังเดยช่วยและแล้วบซุก็บอกว่าเราได้ปฏิบัติต่อพวกท่านในสิ่งที่เราไม่ได้ปฏิบัติต่อผู้อื่นหรือแล้วผู้อื่นก็ปฏิบัติแบบนี้และพวกท่านก็ปฏิบัติเหมือนกันเพราะนั้นไม่ได้เลือกเมื่อตกอยู่ในสถานะเดียวกันการช่วยเหลือเกิดขึ้นก็แบบเดียวกันไม่ได้เลือกว่าคนนี้เป็นลูกคนนั้นคนนั้นเป็นตระกูลนี้ไม่เลือก เมื่ออยู่ในสถานะของความยุ่งยากอันเดียวกันก็ช่วยไปว่าอัมมาไซและฟาลาตันทัดคนมาขออย่ากจะเพิ่ต้องให้กำลังใจเพรา ะ, ะไรเพราะเราไม่สามารถจะให้สิ่งที่เขาต้องการได้แต่เรามีกาลิมาตอ ย, ยีบาถ้อยคาที่ดียังน้อยก็เป็นกำลังใจอยากจะเพิ่มเอ้ยร่างกายแข็งแรงไม่รู้จักทำมาหากินใครจะรู้ว่าพรุ่งนี้เราชนเราขาหักก็ได้พุนี้เราเป็นอัมพาตก็ได้ยา นะในพี่บอกว่าหัวเราไปชิคกิ้ตามโปรตีนแม้ว่าอินบรามเม็ดหนึ่งจะฉี ก, ก็ามาแบ่งก็แบง่งอย่าง น, น้อยๆเป็นกําลังใจว่าเขาเขาใส่ใจเราเขามีความสนใจเราอย่าอยับระเพิดคนเรามักจะพูดเหรแข็งแรงรู้จักทํางานรู้จักทำมาหากินชอบแบมือขอคนอื่นมึงไม่เป็นกูมึงไม่รู้หรอกเขาจะพูดอย่างนั้นมึงไม่เป็นกูกูไม่รู้มึงไม่รู้หรอกอย่างน้อยๆพูดดี การีมาตอยิบั <Picasso> so samurai, slave, murdered, slave, สซดาก็ทักกับซาดาก็แล้วเขาก็ได้รับกําลังใจด้วยว่าเราได้รอได้ปลอบใจเขาอย่าจะเพิดและคนที่ไปขอก็ต้องมีมารยาทแบบอิสลามถ้าให้สลามสามครั้งเขาไม่รับแสดงว่าเขาไม่พร้อมเขาไม่พร้อมที่จะต้อนรับเราก็เราก็ต้องไปอัสลามวะัยกุ่มเขาก็เงียบอสลามวะไลกุ่มเขาก็เงียบอสลามวะไลกุมเขาก็เงียบ กะระยะดูเขาเงียบไม่ตอบรับก็แสดงว่าเขาไม่พร้อมที่จะต้อนรับเราต้องเข้าใจเขาไม่งั้นเราก็จะฟิตนะาเขาอ่ะโอ้โหไปให้สลามทั้งสามหนนรวยนี่วไม่สนใจคนจนเราให้สลามมันไม่สนใจคนแบบนี้ไม่โดนมั่งไหมอ่อยาวเลยใช่ไนั่นก็เยอะไปใช่ไหม ต้องให้สลามผมนี่มีคนเขาแล้วก็แทบทุกวันที่บ้านดีใจเพราะว่าเราจะมีเราไม่มีเงินเยอะๆที่จะให้เขาแกจะมาที่บ้านแล้วก็บอกแชร์ก็หน่อยน่ารักไหมแช่ก็หน่อยถามว่าบางนี่อยู่ที่ไหนอยู่คอนโดแกน่ะตัวเหม็นสาแล้วไม่ได้อาบน้ําอยู่คอนโด แล้วบังอยู่ที่ไหนล่ะบังทธรอะไรบังอยู่กับบ้านเล่นลายท่า <c oughs> นทั้หลไปขอแต่แกข็ขำดีนะเพอผมให้แกไปแล้วนะผมเดินออกไปข้างนอกเจอแกแชร์กล้องหน่อยคือขออีกไงเจะขออีกขออีกไปได้ไปเจอที่ตลาดเอี่ยมเดินทาแป้งนี่ทางนี้เต็มหน้าทางนี้ทาแค่นี้ไม่รู้สไตล์อะไรเจอผมอีก แช่ก็หน่อยอ้สางก้องแล้วเรนถามว่าบังอยู่กับบ้านไม่ทํำลายหรอกเล่นลายบังเล่นลายอยู่ที่ไหนคอนโดมันจะบ้านอะไรเล็กๆ เ, กเกช่าอยู่คอนโดงั้นกำลังบอกว่าอย่าดูแคลงคนอื่นลาตะตาคิดลาตาตะคิดมันดูน่ะกะอย่าดูแท่อย่าดูแคลงคนที่ด้อยกับเราฟังกุลหรือใช้อินมาซีจัตุนทุกสิ่งมันเพิ่มได้ทุกสิ่งมันเพิ่มได้ ดูมีคนรู้จักคนหนึ่งจนมาก ล, ลูกหลายคนมีนาอยู่ไร่แถวบานมะโหแย่เลยทำข้าวว่าไม่พอจะกินลูกเยอะแต่วันหนึ่งทางด่วนมาไร่เดียวได้ตังกี่สิบล้าน mm hmm. เดี๋ยวนี้ไปอยู่แถวน้องจอกปลูกบ้านให้กับลูกหลานทั้งหมดเป็นซุ้มแบบทรงไทยเลยรวยเลยตายไปแล้ว mm hmm. นะตายไปแล้ว แล้วก็คนเนี่ยใจบุญวันที่รวยเนะี่ยคนที่เอาที่ไปจำนำแก่ๆไว้อะ่ะแล้วก็ขาดสัญญานะที่จริงเขาจะยึดก็ยึดได้แต่เขาไม่ยึดเขาบอกมีเงินมาถ่ายถอนซะเอาราคาเดิมเมื่อ20ปีก่อนเขาไม่เอาเนี่ยพอตกลงกับพ่อคุณไว้แล้วแล้วพ่อคุณตายผมจะเปลี่ยนคำพูดและสัญญากับพ่อคุณไม่ได้เพราะพ่อคุณตายไปแล้วโอ้โหม นี่นี่ตอนนี้เขารวยแล้วทำโดยแล้ ว, ลวดีใจด้วยงั้นคนเราไม่แน่คนเราไม่แน่จะถูกถูกในสมัยนบียกรุบเนี่ยคนขโมยในสมัยนั้นนะ่ะเวลาถูกจับได้จะตกเป็น เ, เป็นทาสจะตกเป็นทาสแต่ในสมัยของท่านนาบีมูฮัมหมัด ส, สลุลต่านลำคนขโมยถูกจับได้ก็ตัดมื อ, อต้องตัดมือ แต่ระบบอิสลามที่มีอยู่ในโลกเนี่ยมันเป็นระบบที่สมบูรณ์ที่เอาละวางมาแต่ถ้าศาสนิาอื่นจะนําไปใช้บ้างก็จะเป็นประโยชน์เดี๋ยวนี้คมขืนผู้หญิงถูกคมขืนตายไม่ตายอะไรนั่นถ้าเอาระบบมาใช้โบยร้อยทีเอา้าต่อที่สาธารนณะรักเขาเอา้าตัดมือคนก็บอกอุสลามโหดได้ถ้าตัดมือก็ตัดหมดสิถ้าตัดจริงสักคนมันก็ไม่กล้าโบยสี่ร้อยทีเอา้าเดี๋ยวคนจะเห็น ข้าเขาตายถูกฆ่าตายตามตัดคอเลยเดี๋ยวคนก็เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วพี่น้องดูต่อไประบบที่สมบูรณ์แบบอิสลามจะเป็นที่ยอมรับของสังคมโลกเพราะอิสลามเป็นดีนุลอศศาสนาของอัลลอฮ์และเป็นระบบที่อัลลอฮ์วางมาแล้วก็จำไว้ว่าอัลลอฮ์บอกให้อ่นานว่าไซยาตูโคลูนะฟีดีนิเลยอัฟวัยยาต่อไปซาเนี่ยซาในภาษาอาหรับเนี่ยถ้าซาแปลว่าไม่นานแล้วถ้าซาอุฟ่านานอีกนาน แต่ซาซา ส, า ส, า ส, าสาัยยาลูคูลูนะฟีดีนินเลยอาฟุยาต่อไปเขาเหล่านั้นจะเข้ามาอยู่ในศาสนาของ Allah อัลลอฮ์อาฟุอาญแบบเป็นลูกขึ้นและลูกแล้วลูกเล่านะใครก็แล้วแต่แหละจะเข้ามาอยู่กับอิสลามมาเข้ามานับถืออิสลามแบบเป็นลูกขึ้นเลยอะในความสําเร็จตรงนั้นนะฟับเบียตงตัสเบียต่อัลลอฮ์สุบฮานอัลลอฮ์ ฮัมดีกสรรเสริญต่อ ہ, อัลล์อัลฮัมดุลิลวสตวฟิดอิสติกฟา ต, อ, าตา ہ, อัล ล, ล์ในความสาเร็จทุกครั้งอะซับตสุบฮนอัลลอฮอัลฮัมดุลิละอัลสตวุลลอฮในความสาเร็จอะไรทุกครั้งที่เราจะได้รับต้องเป็นแบบนี้นี่เราพัลูกจปริญญาเลี้ยงมีเล่ามีอะไรผู้หญิงผู้ชายปะปนกันเลอะเทอะตัสยสุบฮัว่าหมอัลฮัมดุลิลว่าไหมอัสตาฟุลลอฮว่าไหมไม่เคยว่า แต่ภูมิใจกับความสำเร็จที่ขาดรหมัาจากบทเรียนของอันอิสลามก็ขอฝากพี่น้องไว้เพียงแค่นี้นะครับจริงๆมีอะไรดีนิดหนึ่งหมดเวลาแล้วใช่ไหมอาจามีดีนมาย่างมาย่างมาแล้วโอเคแม้มาแล้วมายกมือด้วยก็ไม่เห็นเลยสิเชิญาจารมีดินครับสวบบัมดิกะ Asalnya h d u ilah-ilah a n t a a s a f i r kawat ubi u l a y a n